กาที่เราคอยรักษาใจก็คือการที่เรามีสติคอยกำกับใจอยู่มีสติคอยรักษาใจอยู่ที่เครื่องอยู่เครื่องอยู่ที่นี่ก็ตอนนี้เราก็ใช้คำบริการพุทธโธหรือว่าลมหายใจหรือว่าจะหายใจเข้าพุทธโธหายใจออกพุทธโธก็แล้วแต่ ซึ่งเครื่องอยู่อันนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องอยู่ที่ทำให้ใจของเราเนี่ยได้ผลากออกจากโลภะโทสะโมหะราคะสพอเราได้มีอารมณ์ใจที่ได้หลีกไกลาจากโลภะโทสะโมหะราคะเนี่ยอยู่ได้เรื่อยๆอยู่ได้อย่างต่อเนื่องนี่อารมณ์ใจเราก็ตั้งมั่นไป ตั้งมั่นลงไปเป็นอารมณ์ใจที่มันไม่ได้ค่อนไปทางความสุขและไม่ได้ค่อนไปทางความทุกข์มันก็เป็นกลางๆอย่างนี้แหละแล้วก็แล้วก็เป็นอารมณ์ใจที่เป็นกลางๆตั้งมั่นลงไปพอมันตั้งมั่นลงไปไม่หวั่นไหวให้กับสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่คิดสิ่งที่ได้เห็น เรื่องราวต่างๆมันก็คืนชื่อว่าอารมณ์ใจเราก็ตั้งมั่นเนี่ยสมาธิมันก็แปลว่าตั้งมั่นอะไรมีสั่งเป็นบทหน้าเนี่ยสั่งแปลว่าพร้อมเนี่ยพร้อมแปลว่าดีก็มาจากพระธาตในความทรงไวเนี่ยในสมาธิก็แปลว่าทรงไว้ตั้งไว้อย่างดีก็คือ ตั้งอารมณ์ใจเอาไว้นลยอารมณ์ใจเรามันตั้งมั่นลงไปเพราะฉะนั้นอารมณ์ใจที่มันตั้งมั่นมันก็คือสมาธินั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เรามีอารมณ์ใจที่ตั้งมัน่นเราก็ทำการงานต่างๆได้เหมืนอนย่างเราไปเราเข้าวัดนี่เราก็จะเห็นที่ต่าง อชีวิตของพระเนยพระอยู่เ ข, า, ขาจะมีข้าวัดต่างๆถ้าเราไปต่างจังหวัดเราก็จะเห็นนะว่าตอนเช้าท่านก็ตื่นมาท่านก็มากว า, าดวาตากวาดตากเสร็จฉันเข้าเสร็จอะไรก็กวาดทูสลานะแล้วก็มาเจอกันอีกทีก็คือบ่ายบ่ายบ่ายก็มากว า, าดตากคือกวาดใปไม้ในวันนั้นแหละทำความสารอาด แล้วก็กวาดเสร็จอะไรเสร็จก็ถูกสลาถูกสลาเสร็จมีเวลาบ้างก็มาชนะปณะแล้วก็อยกย้ายกันกับกุฏิซึ่งบางวัดก็อาจจะมามีการรวมตัวทาวัดสวดมนต์ตอนค่ำอะไรกานี้ก็แล้วแต่บางวัดก็อาจจะให้เวลาส่วนตัวที่จะสวดมนต์ทำวัดอาจจะมารวมกันสักทีหนึ่งก็ตอน ช่วงวันพระอะไรนเพราะฉะนั้นกิจวัตรมันก็เป็นกิจวัตรที่ เ, เรียบง่ายนั่นแหละแต่มันก็เป็นกิจวัตรที่มันสามารถที่จะก็อเอื้อคือคื อ, คอเราก็ทําการงานมีกิจวัตรแบบนี้ก็ทําไปแต่ในระหว่างที่เราะจะเข้าห้องน้ําซักผ้าถูปุตติถูศ า, า, าลากวาดลานวัดอย่างนี้นะเราก็พุทโธไปด้วย ค่อยรักษาใจไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ว่าง่ายถ้าทําได้ดีอารมณ์ใจเรามันก็จะทรงสมาธิอย่างนั้นเอาไว้ได้อยู่ตลอดไม่ว่าเราจะทําการงานแบบไหนไๆอย่างนี้นะข้างนอกก็ส่วนข้างนอกข้างในก็ส่วนข้างในไปอันนี้ก็เป็นรูปแบบรูปแบบปกติที่ ที่ใช้กันทำวัดป่าเนาะแต่ถ้ามองไปอีกในรูปแบบหนึง่งทางโลกโลกเขาก็จะมีภาพลักษณ์ของสมาธิกับคนละอย่างนะคือเหมือนเราต้องเพ่ง ต้องจดจ่ออะไรไว้สักอันหนึ่งเหมือนพวกอะไรอะพ ว, พวกนักพวกนักกําลังจิตอะที่ว่าเพ่งช้อนช้อนงออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะมีภาพลับว่าสมาร์ทที่มันก็ต้องมีกําลังมีการเพง่งมีการจดจอ่อแบนั้นแหละแต่ก็อย่างที่บอกไปเนี่ยเราก็ต้องแบ่งต้องแยกแยกว่า สติรู้เรื่องชา้าก็ยังแบ่งเอาไว้เป็นอย่างอริยมรรคมิองแปดอ่ะมันขึ้นต้นด้วยสัมมาทั้งหมดอะไสัมมาก็แปลว่าดีแปลว่าชอบนะแปลว่าถูกต้องนะี่ทีนี้ในทางตรงกันข้ามมันก็มีมิจฉาเลก็ลคือความไม่ถูกต้องเป็นความผิดเพราะฉนั้นสมาธิมันก็มีทั้งในรูปแบบเริ่มที่สติก่อนก็ได้สติมันก็มีทั้ง ในรูปแบบที่มันเป็นไปในฝ่ายที่ถูกต้องแล้วก็ฝ่ายที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนั่นก็อย่างที่บอกไปอ่ะคนเรามันไม่ใช่คนที่บ้าใบ้สติสตังไม่มีก็ไม่ใช่คนทั่วไปทุกคนก็มีสติทุกคนแต่ทำไมเราต้องมาฝึกสติเพราะว่าสติที่เรามีมันเป็นมันไม่ได้เป็นไปในฝ่ายที่เราจะมาแก้ทุกข์ใจได้ดีเราก็จึงต้องมาฝึก การที่เรามาฝึกสติให้อยู่กับคาบริกรรมพุทโธอยู่กับลมหายใจเนี่ยก็อย่างที่บอกใจมันก็เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์การที่เรามีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ให้ใจมีสติคอยกำกับเอาวไว้ให้ใจอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจยมันก็ทำให้อารมณ์ใจของเรามันได้หลีกไกลจากเครื่องเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองของใจอารมณ์ใจเราก็จะไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมอง ถ้เป็นอารมณ์ใจที่มันได้หลีไกลาจากเครื่องเศร้าหมองนี่แหละหลีไกลออกจากโลภะโทสะโมหะราคะนี่แหละก็มาตั้งมั่นเป็น อ, อารมณ์ใจที่เป็นอโลภะอะโทสะอะโมหะอะราคาัดเป็นใจที่มันสงบเป็นใจที่ไม่วุ่นวายเป็นใจที่เยือกเย็นผ่องใส อ, อารมใจมันตั้งมั่นอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็ขึ้นชื่อว่ามันก็ได้ตั้งอารมณ์อันนี้ไว้ทรงอารมณ์อันนี้ไว้มันก็เป็นสมาธิเกิดขึ้นนั่นแหละลืมตาอารมณ์ใจเราตั้งมั่นมันก็เป็นสมาธิอยู่หูฟังเสียงอารมณ์ใจเรายัางตั้งมั่นอยู่มันก็หูได้ยินเสียงใจเราก็ยังเป็นสมาธิอยู่คือสมาธิ มันก็เพระนั้นมันก็จะเป็นไปเพื่อสองอย่างเป็นสัมมากับมิจฉานะแต่ถ้าเป็นมิจฉาสติมันก็เป็นไปอะไรสติที่มันเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถีมั่นความกำนังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นไปเพื่อความเห็นผิดเห็นว่านี่เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตน เป็นไปเพื่อความยึดมั่นกำลักกินดีราวนี้แต่ถ้าสติที่มันเป็นสัมมาสติเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อที่จะเป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำลักเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นสัมมาสติมันก็จะพาให้ใจของเราเนี่ย เป็นไปในแนวทางนี้เพราะนั้นสมาธิที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อแนวทางนี้เหมือนกันแต่ในทํานองกลับกันการที่เรามีมิจฉาสติก็คือสติที่มันเป็นไปเพื่อความกำนัดยินดีเป็นไปเพื่อความยึดติดยึดมั่นยึดถือเป็นไปเพื่อความเห็นผิดเวลาที่มันมีสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้แห ล, ละบาอย่างพวกถ้าให ความรัมันชัดเจนก็เหมือนคนที่เขาเล่นของนะเล่นขุนใสเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีสมาธิเหมือนกันใจเขาก็ต้องจดจ่อเหมือนกันกำลังจิตกำลังใจเขาก็ต้องมีเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อความปล่อยวางมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความห่างไกลจากโลภทวสาโมห oh ะรคะมันเป็นไปเพื่อความยึดติดยึดถือยึดมั่นเพราะนั้น ฝนที่สุดมันก็คือฟอ้องที่ใจะใจมันก็จะต้องเป็นใจที่ไม่มีศักยภาพที่จะต่อต้านกับความทุกข์ใจแ น, น่นอนใจก็ต้องเป็นใจที่มันหนักใจก็ต้องเป็นใจที่มันไม่เบาสบายปลอดโปร่งไม่ฝ่องใสแพราะนั้นเครื่องอยู่ของใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่มันก็จะเป็นตัวที่ เป็นทางแยกอะเป็นทางแยกที่ทําให้เราไปอยู่ฝั่งสัมมาหรือว่าเป็นฝั่งมิจฉาไ เ, เพราะนั้นเครื่องอยู่คือการงานที่จิตของเรามันไปผูกไว้อันนี้สําคัญอย่างบางทีเราก็อาจจะแบบว่า อ, อย่างนั้นเราอ่านหนังสือเป็นสมาธิได้ไหมก็เป็นสมาธิได้ อานนังสือเป็นสมาธิได้ไหมได้แน่นอนทุกคนมีสมาธิทุกคนนี่แหละแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสมาธิแบบไหนมันเป็นไปเพื่อความกำนักยินดียึดมั่นถือมั่นไหมหรือว่ามันเป็นไปเพื่อความละวางปล่อยเวน้นซึ่งการที่เราจะฝึกในไหนเราจะฝึกแล้วเราก็ต้องฝึกให้มันเป็นไปในทางที่มันจะทำให้ใจเรามีความสุขในภายในมากขึ้นมีความทุก ภายในที่มันลดลงมันก็มันถึงจะดีไงย่างอ่านหนังสือนี่มันก็มีหนังสือตั้งหลายประเภทถูกไหมมีหนังสือที่เป็นนวนิยายก็มีมีหนังสือที่อ่านหนังสือที่เป็นกันเทศธรรมะของครูบาอาจารย์ก็มีซึ่งเวลาเราอ่านแล้วนี่มันก็ได้คนละอารมใจการที่เราอ่าน นวนิยายต่างๆมันก็เหมือนเราดูหนังฟังเพลงนั่นแหละจิตใจมันก็ดิ้นรนซัดสายไปในโลภบ้าโทสะบ้าโมหะบ้า ง, าา ง, าางราคาบ้างแต่กลับกันเราอ่านหนังสือที่เป็นธรรมะกันเทศคูราจาร์ต่างๆอย่างนีงงงงง้มันเป็นเนื้อหาที่ทำให้อารมณ์ใจของเราเน่ยมันเป็นไปในแนวทางที่หลีกออกจากกรรม เป็นไปในแนวทางที่สงบระงับเวลาที่ใจเราจดจ่ออยู่มันก็เป็นอารมณ์ใจในฝ่ายที่เป็นกุศ ล, ลนั่นเลเพราะนั้นมันก็เป็นสมาธิเป็นอารมณ์ใจที่มันตั้งมั่นลงไปในการอาร่านใช่ไหมแต่อันหนึ่งก็คือว่ามันก็เป็นอารมณ์ใจในฝ่ายที่มันฝ่ายดีฝ่ายกุศลนะเพราะนั้น การที่เรามีอารมณ์ใจที่มันตั้งมั่นอยู่ในฝ่ายกุศลมันก็ดีอยู่แล้วแต่แน่นอนการที่เราอ่านหนังสือใจเรามันก็สัดใสไปในเนื้อหาสาระนะการที่จะรวมใจให้มันแน่วเป็นหนึ่งอันนี้มันก็จะทํายากหน่อยหรือว่าอาจจะทําทําได้ไม่ดีนะแต่การที่เรามีเครื่องอยู่อยู่แค่ ง่ายคือพุทโธกับลมหายใจเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่ที่ไม่ซับซ้อนพอมันเป็นเครื่องอยู่ที่ไม่ซับซ้อนเนี่ยมันทำให้สามารถที่จะรวมใจให้มันเป็น1เป็นเอกับคัตาร์ลมได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะนำพาไปเป็นเอกกับคัตาจิตได้ด้วยแต่การที่เราจะต้องมาคิดนึกไตรตรองตามตัวหนังสือเนี่ยการที่มันจะเป็นเอกกับคัตตาจิตเป็นไปไม่ได้ มันก็เป็นไปได้นเอกัคตอารมณ์คืออารมณ์ที่มันเป็นหนึ่งตั้งมั่นเฉยๆแต่ถ้าให้มันแนวเป็นหนึ่งลงไปมีจิตเป็นเหลือผู้รู้เด่นอันเดียวอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับการที่เราจะมาอ่านหนังสือชั้นใดชั้นนะั้นการที่มันจะเหลือเป็นจิตผู้รู้ดวงเดียวเนี่ยมันก็ต้องถอนออกนะถอนออก แม้แต่พุโทโธมันก็ต้องวางเหมือนกันแคนั้นการที่เราจะฝึกจะเรียกว่าฝึกสมาธิมันยังเป็นชั้นที่สอง่ะต้องเรียกว่าฝึกสติดีกว่าการที่เราฝึกสติก็คือเราก็คอยมีเครื่องระลึกให้ใจให้เรามีเครื่องระลึกมีเครื่องเกาะให้ใจที่มันเป็นในฝ่ายกุศลไว้ก่อนแล้วก็เป็นมันจะเป็นอินดิเคเตอร์เนี่ยที่มันจะชี้ได้ว่า เราเผลอไหมเราเผลอไปทางไหนบ้างถ้าเราไม่มีที่อยู่ให้มันเลยเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีเครื่องมือที่จะมาตรวจสอบชีวัตน่แหละ ว, ว่าเออเราเผลอเยอะไหมถ้เาเผลอนี่มันออกไปยังไงจังหวะยังไงแบบไหนเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเรามีพุทโทมีลมหายใจที่มัน เ, เป็นเครื่องอยู่ที่มันก็ง่ายๆอยู่แล้ว แค่มันเผล อ, อไปจากพุทโธเผลอไปจากลมอ่ะเผลอไปทางความคิดเราก็เห็นเผลอไปทางเสียงเราก็รู้เผลอไปทางตาเราก็อ่ะเราก็เห็นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ก็เรียก ว, ว่ามันเป็นแบบฝึกที่ไม่ซับซ้อนไงแบบฝึกง่ายๆแล้วมันก็ได้ประสิทธิผลที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีเครื่องอยู่ในภายนอกเป็น การอ่านการฟังไม่ได้นะเหมือนเราอยู่ทำการงานอยู่เนี่ยก็ปเปิดเทสไปกับเปิดเพลงไปอย่างเงี้ยปิดเทศดีกว่าใช่ไหมเพราะการที่เราทำงานไปใจจดจ่ออยู่กับการงานเนี่ยถ้ามันเผลเอออกมาได้ยินเสียงเทศอย่างเงี้ยมันก็เป็นเสียงที่คอยกระตุ้นเตือนให้ใจเราได้มีสติที่มันเป็นสัมมาสติเกิดขึ้น ได้มีใจกระตุ้นเตือนว่าเอ้ยเราต้องเก็บใจไว้ในภายในนะตอนนี้มันหนีออกมาข้างนอกแล้วแต่ถ้าเกิดเราเปิดเพลงเนี้ยเปิดเพลงมันก็คนละแบบกันแหละพอเปิดเพลงเราฟังเพลงเนียแน่นอนเลยมันก็พาเราไปในอดีตบ้างไปในเรื่องที่เราพอใจยินดีอย่างบางทีเพลงมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่บรรจุสัญญาอารมณ์ของเรา มันเราฟังเพลงที่เป็นสมัยวัยรุ่นวัยเด็กเนี่ยเขามาเปิดให้เราฟังมันก็มีเรื่องราวความทรงจําต่างๆในอดีต ท, นะที่เออช่วงเวลานั้นนะเพลงนี้มีแบบนี้เรามีประสบการณ์ในช่วงเวลานั้นยังไงบ้างมันก็ขึ้นมามันก็มันเอาของเก่ามาอุ่นใหม่เลยใช่เรามันก็เพลินไปกับเรื่องราวในอดีตที่เรากําลังปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปเพื่อความ โมเมาเห็นไปเพื่อความที่ยึดติดยึดถือในความสุขความทุกข์ในอดีตนะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะมีสัมมาสติที่มันเกิดขึ้นมาสักนิดนึงเพืี่มาตัดวงจรการเผลอเผลนแบบนี้เนี่ยบางทีก็ไม่ง่ายพอเวลามันเพลินแล้วเนี่ยมันก็เผลินนานถ้าเราไม่ได้ฝึกให้สติของเรามันเกิดได้ดีบ่อยๆมีกําลังเนี้ย มันก็เพลินบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็มีแต่ถ้าเราฝึกดีแล้วเนี่ยอมันเพลินไปอาจจะไม่นานเนี่ยเราก็ได้ระลึกขึ้นได้ว่า เ, เราเพลิอนออกไปในความคิดเราเพลิอนออกไปเพราะเราได้ฟังเพลงอันนี้โอเคงั้นเราก็พยายามรักษาใจดึงกลับมาไว้ที่พุทโธ ท, ที่ลมหายใจแต่แน่ น, นอนแหละ การหลีกเลี่ยงที่เราจะไม่ฟังมันก็ดีกว่าแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องมีกำลังที่มันเข้มแข็งขึ้นนะแต่อย่างน้อยๆถ้าให้เลือกที่จะเปิดเองเราก็พยายามไม่เปิดเองดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไปอยู่ในห้างไปอยู่ในที่ทำงานแล้วเขาเปิดเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่ห้องแล้วเรา เปิดเองเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงว่าใจมันหิวแหละใจมันหิวในอารมณ์แล้วเราก็ไม่ได้มีเครื่องอยู่คือความสงบให้มันมาสักพักหนึ่งก็แล้ ว, ลวมันถึงหิวในอารมณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่เราสังเกตบ่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจ เราเห็นใจตัวเองบ่อยๆเราก็จะเข้าใจอย่างบางทีเราเข้าสมาธิได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันความประมาทมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละเฮ้ยเราฟังเพลงแล้วก็ดูพุโทโธได้เราฟังเพลงมาเนี่ยดูพุโทโธสบายเลยรักษาใจก็ได้แต่มันก็ก็อย่างที่บอกไปอ่ะอันนั้นก็คือเราก็ยังไม่เห็นละเอียดไงแต่พอเราได้เห็นละเอียดแล้วเนี่ยโอ้ มันก็ได้หรอกแต่มันก็ได้ผิวๆไงก็จะมันให้ให้มันก้าวหน้าต่อไปอย่างเงี้ยมันก็ลำบากมันเหมือนเราเติมทั้งบวกทั้งลบลงไปในครั้งเดียวกันเนียความก้าวหน้ามันก็มีน้อยแล้วแทนที่เราจะเติมแต่บวกแล้วเราก็ไปเติมลบด้วยเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่ที่นะเราอยู่ท่ามกลาง กิเลสอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปเติมกิเลสให้ใจมาสู้กับตัวเองอีกมันก็เกินไปแล้วก็อย่างที่บอกกระบวนการมันก็อย่างมันเป็นไปในฝั่งที่ทําให้เราเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่แล้วมันเป็นในฝั่งที่ทําให้เราลากเราไปอยู่กับโลภะตัวสามโมหะรักขักให้มันหลงเพลินไปในอดีตบ้างหลงเพลินไปในสิ่งที่คาดหวังบ้างนี่เป็นต้น เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆก็อย่างที่บอกกันแหละเวลาที่เราฟังฟังเพลงบ้างดูหนังดูละครบ้างถ้าถามว่าเราจะพุโทโธได้ไหมก็พุโทโธได้นั่นแหละแต่พุโทโธแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างในกรณีที่มันเลี่ยงไม่ได้มันก็มีพุโทโธเป็นตัวรังเอาไว้ก็ยังดีกว่าไม่มีดีกว่าให้มันเพลินไปกับสถานการณ์โดยถ่ายเดียว เหมือนเราไปีปที่ทำงานเนะ่ยเขาก็เปิดเปิดทั้งวันเงนี้ยเปิดทั้งวันสมมตินะแล้วเราจะไม่พุทโทรสู้เลยเนะี่ยมันก็เพลินไปกับสิ่งที่เขาเปิดเปิดอะ่ะมันก็กเรื่องไรแล้วก็เก็บแต่แต้มลบอย่างเดียวอะ่ะก็เสียดายโอกาสถ้าเราได้พุทโทรไว้ด้วยอย่างน้อยๆถึงลบเยอะก็จะกลายเป็นลบไม่มากก็ยังดีกว่าที่ มีแต่ลบเยอะๆอย่างเดียวเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ฉลาดเลือกนี่แหละฉลาดเลือกให้ใจฉลาดเลือกเครื่องอยู่ที่ดีให้ใจฉลาดเลือกอาหารที่ดีให้ใจเพราะนั้นมันก็กิจกรรมข้างนอกอะ่ะมันมันมันก็เป็นกิจกรรมนั่นแหละแต่ตัวชี้วัดจริงๆว่าเราได้ฝึกสติ เป็นสมาธิไหมอย่างเงี้ยมันก็คือจิตใจเรานี่แหละว่าจิตใจเรามันอยู่ในฝ่ายไหนฝ่ายกุศลไม่หรือว่าฝ่ายอกุศลเราจะเอาหนังสือเป็นเครื่องอยู่ก็ได้นะเรอ่านหนังสือไปแต่ใจเราก็ยังอยู่ในฝ่ายของความที่มันเป็นห่างไกลาจากโลภะโทสะโมหะระคตอะไรอย่างนี้มันก็ก็ได้อยู่อารมณ์ใจเราก็ไม่หวั่นไหวได้นะนก็โอเค แต่ถ้ามันทำให้เราต้องคิดต้องปรุงแต่งเยอะๆนี่แน่นอนอารมณ์ใจเรามันตั้งมันยากมันัดสายเพราะนั้นก็ไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกแมนะ้แต่ตอนที่เราเข้าสมาธิแล้วเรานำมาพิจารณา เ, เรือทพยายมสอนใจถอดถอนกิเลสเนี่ยกลังของใจมันยังลดลงเลยไม่ต้องไปพูดถึงการที่เรา ไปอ่านหนังสือฟังนู่นนี่อะไรตอนที่เรากําลังจดจ่ออยู่กับการพิจารณานี่แหละกําลังสุขความสงบของเรามันก็ลดน้อยถอยลงลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าพิจารณาแล้วนี่เวลาใจมันล้าแล้วเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับมาทําความสงบใจให้ใจมันได้รวมนิ่งแน่วพักเป็นหนึ่งอยู่ ดังรูปแบบมันก็มีเท่านี้แหละถ้ามันทำงานมีการคิดมีการปรุงมันก็เหมือนมันได้ใช้พลังความสงบที่เราตุนเอาไว้ถ้ามันหมดมันก็ต้องย้อนกลับมาให้มันมีความเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมั่นเอาไว้นะแต่อารมณ์ที่มันจะเป็นหนึ่งตั้งมั่นได้ดีเนี่ยเครื่องอยู่มันก็ต้องเรียบง่ายหน่อยถ้าเป็นเครื่องอยู่ที่ไม่ซับซ้อน อยู่แล้วมันก็เป็นอันเดียวได้ง่ายนี่นะเพราะฉะนั้นการฝึกมันก็ย้อนกลับลงไปสองที่ใจเรานั่นแหละสองไปที่ใจเราข้างนอกก็ส่วนข้างนอกไปแต่จิตใจเราก็ต้องรักษาเพราะฉะนั้นก็รักษาอยู่ง่ายๆนี่แหละอย่ที่พุทโธนี่นแหละอ่านหนังสือไปเรา มันก็เหมือนพิจารณาแหละอานหนังสือไปใจเรามันส่งออกไปตามหนังสือเราส่งไปตามการไข้ครวญไต่ตรองใจเรามันก็สูญเสียพลังนั่นแหละแต่สักพักหนึ่งถ้ามันล้ามากเราก็หยุดสักหน่อยหนึ่งแล้วก็กำหนดดูสมาธิเข้าสมาธิดูลมหายใจพุโทโธไว้สักพักหนึ่งอพอใจมันเริ่มที่จะมีอารมณ์ใจสบายๆงั้นเราก็ไปต่อ พอเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ทำให้หน้าที่การงานภายนอกอ่านหนังสือเอ่ยทำงานเอ่ยมันก็เป็นไปได้ดย่งดีเป็นไปได้ด้วยดีพเพราะว่าอะไรเพราะว่าอารมณ์ใจเรามันไม่ไม่อิเล็กขขักนะเหมือนอย่างเราทางานแล้วจิตใจเรามันก็ฟุ้งซ่านเงนี้ยมันก็ ทำงานได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็ไปเรื่องน้นทีเรื่องโน้นทีพอเบื่อจากการทำงานอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยมันยิ่งทำงานได้ไม่ค่อยดีหัวสมองเอ่ยความคิดเอ่ยหรือว่ากาลังใจที่จะทำให้มันประนี่เอ่ยมันมันก็ลดน้อยไปแต่กลับกันการที่เราได้เข้าสมาธิให้ใจเรามันได้สงบสบายเยือกเยน็นทีนี้เวลาที่ใจมันสงบสบายเยือกเย็นแล้วเนี่ย การงานตรงหน้านมันก็มีกำลังใจเต็มที่ที่จะทำให้มันดีใจเราได้หลีกไกลาจากโลภโทสะโมหะรัคะมันก็ทำการงานต่างๆได้อย่างในแบบที่มันควรจะเป็นไม่ว่าทั้งความเพียรความอดทนความรับผิดชอบต่างๆที่จะทำให้มันดีะมันก็จะมากเต็นที่และจากสภาพใจที่เป็นใจที่เบาสบายปลอดโปร่ง ดังนั้นการที่เรามีสมาธิตนอาไว้เนี่ยมันก็ช่วยช่วยในเรื่องโรคโรคด้วยช่วยในเรื่องการงานของเราด้วยถ้าเหมือนการที่เรามีอารมณ์ใจที่มันหงุดหงิดอารมณ์ใจที่มันไม่เบาสบายปลอดโปร่งเนี่ยทำงานมันก็ไม่ค่อยดีเวลาใครมาคุยด้วยแล้วก็บางทีก็ พูดสวนไปด้วยกิริยาท่าทางที่ไม่ค่อยงามก็มีหรือไม่พูดไปด้วยความไม่เอื้อเฟื้อก็มีหรือว่าพูดไปในแบบที่ไม่ดีว่าเขาเนแนมเขาก็อาจจะเป็นได้ก็ได้ถ้าเรามีอารมณ์ใจที่มันเบาสบาย ป, ปลอดโปร่งเงี้ยมันก็ปฏิสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนรอบข้างมันก็จะเปลี่ยนไป พูดก็พูดด้วยวาจาไพเราะทั้งเสียงไพเราะสนอหูต่อคนฟังคำพูดก็ประกอบไปด้วยประโยชน์ต่อคนรอบข้างได้คำพูดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นการฝึกมันก็อย่างที่บอกแล้วแล้วก็เครื่องฝึกเราก็เอาง่ายๆนี่แหละได้ผลดีด้วย กับพุทโธกับลมหายใจนี่แหละเราะฉะนั้นอะไรที่มันมากระทบใจเราเราก็ดึงกลับมาไว้ที่พุทโธอะไรที่มันมากระทบใจเราก็ดึงกลับมาเผลอไปทางความคิดเราก็ดึงกลับมาเผลอไปทางตาเราก็ดึงกลับมาเผลอไปทางเสียงเราก็ดึงกลับมาจะดึงกลับมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็ พยายามที่จะคอยสังเกตมันหน่อยหนึ่งก็จะดีมากว่าที่มันเผลอเพลินไปเนี่ยมันเผลอเพลินไปยังไงด้วยอํานาจของสิ่งเราอะไรที่มันทําให้มันดึงใจเราออไปอันนี้เราก็จะเขาเรียกว่าได้ศึกษาไปด้วยนอกจากที่เราจะพยายามป้องกันดึงใจเอาไว้กลับมาข้างในอย่างเดียวน้อยเราก็จะได้เป็นผู้ที่เขาเรียกว่า ฉลาดในวาราจิตของตนนะรู้ว่ามันพลาดพลาดเพราะเหตุอะไรคราวหน้าเราก็จะได้ระวังถูกรู้ว่าเราทำแบบไหนแล้วใจมันสงบสบายใจมันตั้งมั่นได้ดีเราก็รู้คราวหน้าเราก็จะได้ทำได้บ่อยๆขยันทาบ่อยๆเพราะนั้นก็ให้พยายามมีสติฝึกให้สติมีกำลังอยู่เรื่อย แล้วก็พิจรารณาบ่อยๆ